บทความจากนทิทยาศ า, ารทำ ม, มาใกล้ตัวฉบับที่24เสียงอ่านโดยอนุสรตรีโสภาเพียงแรกแลบันดาปิติเออปนพันนากลีลาปรใจ